ทำให้ดีทําให้เจริญทําให้ถูกต้องก็ทาให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขควาว่าเจริญเนี่ยมันมีคำหนึ่งคือคำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญงอกงามแล้วคนเราสามารถจะเจริญงอกงามได้ก็ด้วยทั้งการทา แล้วก็การทำจิตนะในพุทธศาสนานี่จะมีหลักทมคำสอนเรื่องภาวนามี4ข้อมี4อย่างก็คือกายภาวนากายภาวนานี่หมายถึงว่าการทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี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 มารวมไปถึงการบริโภคการใช้สอยสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องวัตถุสิ่งของให้ถูกต้องคือปัจจัยสีนั่นแหละอันที่2คือศีลภาวนาศีลในที่นี้ไม่ได้หมายความเฉพาะศีลห้าแต่หมายถึงพิตกรรมรวมทั้งการทำอาชีพ ก, การงานอย่างเช่นถ้าเรามีสัมมาอาชีวะเราทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรนนี้ก็เรียกว่าศีลภาวนา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 ส่วนสองข้อแรกกายภาวนาและศีลภาวนาเป็นเรื่องการทํากิจนะการทํากิจการงานพนะพุทธศาสนานี้ท่านสอนให้ทําทั้งสองอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะทําแต่2ข้อแรกหรือว่าอาจจะทําแต่เรื่องกิจการงานแต่ว่าเรื่องทําจิต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 การมีสติการมีความเมตตาการมีความอดทนมีสมาธิมีความเพียรอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเราสวดเรื่องสัมมาวายามาสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้จัดว่าเป็นการเจริญจิตตภาวนานะความเพียรนะท่านจัดไว้อยู่ในฝ่ายจิตตภาวนานะ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 ตังก็มีหน้าที่ในการจัดการกับความทุก์หรืออกุศลแตกต่างกันไม่ได้เหมือนกันทีเดียวแตกต่างกันยังไงนะอันนี้ก็เคยมีคนถามกันนะถามพระพุทธเจ้าว่าไอการที่จะกั้น กระแสกิเลสไม่ให้ไหลท่วมทนใจนี่ทำอย่างไรนะคนที่ถามนี่ก็น่าสนใจนะเพราะคือเขาเป็นเป็นมานพนะที่มากันเป็นทีมเลยนะสิบหกคนครูอาจารย์สั่งให้มานะเป็นพรามชื่อภาวารีอยากจากนนะโค่นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี่มีสานุสิทธิ์เยอะ อิทธิพลก็กำลังจะแพร่ไปทำให้หลายคนก็เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนามานับถือพระพุทธเจ้าพรามพาวรีนี่ซึ่งนับถืออีกลัทธินิกายหนึ่งก็ไม่พอใจก็ส่งลูกน้องส่งลูกศิษย์มามาคล้ายๆว่ามาโตวาทีเริ่มโดยการซักถามหัวหน้าทีมคือก็คืออชิตตะอชิตตะมานก แต่ตอนหลังนะทั้ง16คนก็ไม่สามารถที่จะข่มพระพุทธเจ้าลงได้แล้วก็ที่ซักไซ้ก็ปรากฏว่าได้คำตอบที่ทำให้เขาเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นก็เลยมามาบวชนะกับพระพุทธ อ, องค์ทิ้ง พ, าพราหม์ภาวีไปเลย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 ละกิเลสละกระาสะกิเลสนะหรือว่าตัดกระแสะกิเลสนะปัญญาอาสติเป็นเครื่องห้ามก็หมายความว่ากระแสะกิเลสมันมีแล้วก็ห้ามนะทำให้มันสลายตัวลงไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมเฉ่นความอากุศลธรรมเฉ่นความโกรธความเกลียดความเศร้านะ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 เอาคําอธิบายที่หลวงปู่ดูลัตตุโลนั่นเคยตอบหลวงปู่ดูลนี่ท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นท่านบรารล่นภาพาไปยี่สิบกว่าปีแล้วมีคนถามว่าจะตัดความโกรธให้ขาดได้อย่างไรถามหลวงปู่ว่าจะตัดความโกรธให้ขาดได้อย่างไร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 มันก็ดับไปรู้นี่ก็คือมีสติรู้ทันนั่นแหละอันนี้แหละคือความหมายว่าสติเป็นเครื่องห้ามกระแสะนะความโกรธนี่มันเป็นกร ะ, สะแสเหมือนกันนะกระแสะความโกรธเป็นกระแสะกิเลสพอมีสติรู้ทันปุ๊บมันก็ดับไปอีกครั้งนี้ก็มีคนถามหลวงปู่ด้วยว่าหลวงปู่หลวงปู่มีความโกรธไหมคือเขาก็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 มันก็ไม่เอาความโกรธแล้วมันวางเลยแต่ว่าได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านอธิบายทั้งก็จะอธิบายในแง่ที่ว่าคำต่อลูกปู ด, ดุนท่านพูดในแง่ที่ว่าเมื่อมีความโกรธขึ้นเพียงแค่แว บ, บเดียวเป็นเหมือนกับประกายแล้วก็ดับไป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 ก็ทำให้ไม่เกิดการปรุงแต่งต่อไปเป็นกระแสอันนี้ก็อธิบายก็อย่างที่ได้อธิบายที่อุจาได้ตัดไว้คือปัญญาเป็นเครื่องเป็นเครื่องลักกระแสกระแสกิเลสนะก็คือว่าพอมันมีความหมายว่า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 พอกลับมามีคนมานั่งแทนแล้วเราโกรธเลยเราก็จะต่อว่าเขาว่ามานั่งของฉันทำไมมันไม่ใช่ของฉันสักหน่อยนะมันไม่ใช่ของเราเลยนะแต่เราไปตู่ว่าเป็นของเรางั้นใครมานั่งแทนเราก็โกรธอันนี้เห็นั้ยว่าเราทุกข์เพราะความยึดมาเป็นของเรา ปัญญานี่มันทำให้เราเห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันแปรผันเาะฉะนั้นเวลาเห็นสิ่งของมันพัดผ่าสูญหายไปหรือว่าคนรักตายจากไปก็ไม่ทุกข์ในสายพุทธการมีคราวหนึ่ง นางมริกานิมนต์พระอัครส า, าวกพระโมคคัลนัสาลีบุตรมามาฉันพร้อมกับพระอีกเป็นร้อยในขณะที่มีการถวายอาหารก็มีจดหมายดีข่าวด่วนมาเป็นจดหมายน้อยนะถึงนางมริกาแจ้งข่าวว่า พันธุลาเสนาบดีซึ่งเป็นสามีแล้วก็ลูกเขย16คนถูกฆ่าคือส่งทาหน้าที่ไปปราบโจลในชายแดนแล้วก็ถูกฆ่ารอบฆ่าตายหมดเลยเธอได้ข่าวอ่านจดหมายเส ร, ร็จก็เก็บไวเ้เก็บไว้ที่ชายพกแล้วก็ทำการถวายอาหารบังเอิญขนาดนั้นเองเนี่ยคนใช้เกิดทำ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 ข้าพเจ้าได้ข่าวว่าสามีแล้วก็ลู ก, ลกเขยตายสิบหกคนข้าพเจ้ายัางไม่เสียใจเลยนันนับภาษาอะไรกับจานใส่เนยที่ตกแตกเนียอันนี้การที่นางเมริการนี้ไม่ทุกข์ไม่ใช่เพราะไม่รักแต่ว่านางมีปัญญาอะไรเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตาย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 เวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็จะไปสำคัญมาหมายว่าชั้นป่วยชั้นป่วยฉันเจ็บชั้นเจ็บมีตัวชั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พวกเราบางคนก็จะรู้สึกว่าเนี่ยชั้นเมื่อยนะชั้นเมื่อยนะอันนี้เพราะว่ายังไม่มีปัญญาเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ที่เมื่อยที่ปวดเนมันไม่ใช่ฉั้นแต่มันเป็นกายที่ปวดที่เมื่อยส่วนใจนี่ไม่จำเป็นต้องปวดเมื่อยตามก็ได้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 หลวงปู่บุตรตท่านก็อาเจียนนะแต่พอท่านอาเจียนใส่ใส่กระโถนเสร็จท่านก็มานั่งคุยต่อกับโยมคุยให้กำลังใจโยมตอนท่านแก่มากนะท่านอายุก็แปดสิบแล้วท่านมาแล้นับมายี่สิบปีทีแล้วอายุหนึ่งร้อยหนึ่งท่านอายุมากแล้วนะแต่ว่าท่านนี่เหมือนกับว่า ไม่ได้ทุกบร้อนนั่นเลยกับอาหารที่เป็นพิษนะขณะที่พ่อหนุ่มนี่หมดสภาพไปเลยนอนหมดสภาพไปเลยคนก็แปลกใจถามว่าหลวงปู่ทาไมไม่เป็นอะไรท่านก็บอกว่าร่างกายเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุสี่เมื่อโดนยาเบื่อนะมันก็มีอาการต่างๆนานาแต่ว่าใจเนี่ยใจนี่ไม่ได้โดนด้วยคือไม่ได้โดนยาเบื่อด้วย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 มีคาหนึ่งท่านก็ไปผ่าไส้ติ่งนะผ่าเสร็จก็ฟื้นตัวได้เร็วมากหมอก็เลยแปลกใจถามว่าหลวงปูไป่ไม่ป่วยเหรอไม่ปวดเหรอท่านบอกว่าก็ปวดเสร็จทำไมไม่ปวดแต่ว่ามันปวดแต่กายนะใจไม่ได้ปวดด้วยนะคือเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือแยกขันอกมาได้เพราะว่า มีปัญญาและเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเรามันมีแต่รูป ก, กับนามกายกับใจอันนี้ก็ทําเป็นตัวอย่างนี้ว่าพอมีปัญญาแล้วเนี่ยนะมันก็ใช้ความทุกข์ก็เข้ามาครอบงําใจไม่ได้ความโกรธความเศร้าเสียใจมันก็ไม่สามารถจะก่อตัวนกระแสไหลท่วมทวนจิตใจได้นะ ส่วนสตินี่กนะ็ก็ช่วยในเรื่องของการกั้นไม่ให้กระแสกิเลสหรือว่าความทุกข์เข้ามาไหลท่วมทนใจแต่ว่าการทหม า, งงาสตินั้นคือการรู้ทันคือพอมีความโกรธเกิดขึ้นพอมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็รู้รู้แล้วก็วาง เวลาปวดเวลาเมื่อยเนี่ยนะลองสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่กายที่ปวดที่เมื่อยนะใจมันก็เกิดโทสะและเกิดความทุกข์ตามขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันไอ้โทสะที่เกิดขึ้นในใจนะมันก็วาง นะวางได้ให้โทรศันั้นก็ดับไปกายก็กลับ ม, มาเป็นปกใจก็กลับ ม, มาเป็นปกติได้กายยังปวดยังเมื่อยอยู่นะแต่ว่าใจนี่เป็นปกตินะเพราะว่ามันเห็นมันรู้ทันอาการกระเพื่อมของใจมีความชังเกิดขึ้นมีโทสะเกิดขึ้นมีความไม่ชอบเกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วก็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 อันนี้ก็เป็นโทสะน้อยๆหรือจะปรุงเป็นโทสะที่ใหญ่ขึ้นเป็นกระแสที่ไหลท่วมท้นใจเพราะไม่มีสติแต่พอมีสติปุ๊บมันก็วางหรือผู้อยญ่เนี่คือมันก็ดับไปใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่มีปัญญาพอที่จะที่จะเห็นรูปเห็นนามหรือว่าเห็นไตรลักษ ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าเราสามารถจ ะ, จะเจริญจิตภาวนาให้มีสติได้แต่ก่อนที่จะมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจหรือว่าอาการกระเพื่อมของใจไม่ว่าผู้หรือแฟบบวกหรือลบเราก็ต้องให้มีสติรู้กายก่อน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 ไม่รู้สึกแล้วยกมือก็ไม่รู้สึกหรือว่ารู้สึกนิ่งหน่อยๆรู้สึกประเดี๋ยวประดาแล้วก็หายไปใหม่มันเกิดขึ้นกับทุกอิเลียบทนะถ้าเกิดใจลอยความฟุ้งซ่านการไปอะไรคุณนคิดกับบดีหรือว่าจมอยู่กับอนาคตเนี่ยเราเรียกว่าง่ายๆว่าใจลอยหรือฟุ้งซ่าน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 เมื่อกายเคลื่อนไหวซึ่งก็ใกล้เคียงกับคาว่ารู้สึกตัวความรู้สึกตัวใหม่ๆแล้วก็ให้รู้สึกนะถึงการเคลื่อนไหวของกายก่อนขนาดกายหยาบๆความรู้สึกมันชัดๆแบบนี้เราก็ยังยังลืมได้หรือหลงได้เพราะว่าใจลอยไงแต่พอเรา มีความรู้สึกตัวต่อเนื่องความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะสติมันพาจิตที่เผลอฟุ้งกลับมาอยู่กับกายได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นไวขึ้นไวขึ้นต่อไปมันก็ไวพอที่จะรู้ทันความคิดและอารมณนะ์รู้ทันความคิดและอารมณ์โดยเพราะ ฝ่ายที่เป็นอกุศลหรือฝ่ายที่เป็นลบเนี่ยความโกรธความหงุดหงิดความเครียดความเสียใจนะความขุ่นเคืองไอ้พวกนี้เนี่ยมันทําให้ทุกข์เกิดขึ้นระบีบคั้นใจเผาหล่นทิ่มแทงใจแล้วมันก็ต่อเ น, นื่องเป็นกระแสเพราะเราไม่รู้ตัวเราไม่มีสติมันก็ปรุงเป็นกระแสแต่พอมีสติปุ๊บนี่มันก็ดับไป ใหม่ๆนี่กว่าจะรู้ตัวก็คิดไปแล้วเจ็ดแปดเรื่องถึงรู้ตัวนะมันเป็นกระแสมันกับขบวนรถไฟเลยแต่พอมีสติพอจะพอฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้าสติไวขึ้นไวขึ้นมันก็จากที่เคยคิดแปดเก้าเรื่องก็เหลือหกเจ็ดเรื่องก็รู้ตัวแล้วต่อมาคิดมาสามสีเรื่องก็รู้ตัวแล้ว ต่อไปนี่คิดเรื่องเดียวก็รู้แล้วยังไม่ทันจบเรื่องเลยก็รู้ซะละอันนี้แล้วว่าสติมันไวกระแสมันก็สั้นลงนะกระแสกิเลสกระแสความทุ้ขก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงนมันยังมีอยู่แต่มันสั้นลงนะอันนี้เป็นเป็นงานของสติทำให้สั้นลงแต่ถ้าปัญญานี้ทำให้ไม่เกิดเป็นกระแสเลยน ะ, นะคือว่า จัดการที่ต้นต่อเลยแต่ว่าในขณะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยโดยเพราะท่าเราเป็นผู้ฝึกใหม่นะก็ก็ให้ก็อย่าเพิ่งไปคิดไกลถึงว่าให้มีสติรู้ทันความคิดเพราะว่ า, าเดี๋ยวจะเผลอหลุดเข้าไปในความคิด อยาจะไปตามดูความคิดสักหน่อยเพราะว่าถูกความคิดลากจูงลากลู่ถูกกังไปเพราะความคิดมันฉลาดมากมันสามารถจะหลอกเราให้หลงได้เพตอะนั้นใหม่ๆก็ยังไม่ต้องสนใจความคิดกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกถึงกายเคลื่อนไหวอันนี้ไม่ใช่เพลงนะมันไม่ใช่เพลงบางคนก็อยากไดรู้สึกชัดๆก็ไปเพ่งเอาไปเพ่งที่มือไปเพ่งที่เท้าให้มันชัดๆ